ท่านฟังที่ครบรอบค่ะนี้คือรายการสันนิษฐานนะคะอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุกับพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาพบกับพระอาจารย์ธนบูลพิปุลโนนอกเหนือไปจากพบพระม้าชาควโรไปแล้วนะคะสําหรับช่วงของท่านพิบูลก็เป็นช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกราบน้องส ก, การับท่านค่ะเชิญบาน รายการของเรานี่ก็อาจจะพยายามให้อยู่ในบรรยากาศการไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปแต่รไรเสียทุกสัดส่วนของธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัฏฐพยัญชนะเป็นสุตตะทั้งหลายที่ท่านรับฟังกันไปกับในส่วนของปฏิบัติเนะี่ยเราให้น้ําหนักมากเท่ากันเลยนะคะเห็นได้จากที่แนะนําการปฏิบัติในช่วงต้นทีนี้ท่านพิมปูนค่ะก็นานแล้วนะคะที่ไม่ได้กราบเรียนถามท่านถึงเรื่องของ การปฏิบัติสมาธิอืมได้อะไรหรือว่าอา น, นิสงฆ์นะคะถ้าพูดให้เป็นภาษาเป็นทางการหน่อยอา น, นิสงฆ์ของการปฏิบัติสมาธิตามที่พระพุทโธตรัสไว้นั้นคืออะไรหรอคะถึงได้ทิ้งน้ําหมักให้มากเหลือเกินการที่เรามาทําจิตให้เป็นสมาธิน ะ, ะอ น, นิสงฆ์นี่มันโอ้โหเจ้าได้บอกไว้หลายอย่างอ่ไล่ไปเลยตั้งแต่การที่จะไม่เป็นคนมีปัญญา กนะารที่จะทำใหนะ้เป็นผู้ที่แทงตลอดซึ่งกิเลสต่างๆตัดกิเลสได้การที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตที่มีกำลังมีจิตเข้มแข็งกนะารที่จะทำให้ถ้ามีเมตตาด้วยนะก็ทำให้คนอื่นระักทำให้ไม่ฝันร้ายนะทำให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะทำให้มีผีพันผุดปองนะการปฏิบัติภาวนานอกจากนี้ก็ยังทาให้ เ, เป็นผู้มีอานาจเหนือจิตนอะกจากนี้ยังทาให้เป็นผู้ที่ สามารถแทงตลอดซึ่งถ้าเป็นอนเนกทําวิปัสนาสมาถะและวิปัสนาให้แจ้งได้โห้ยแม้ถ้ารายการมีจนถึงเย็นก็จะพูดให้จบได้อยู่สามารถพูดถึงอ น, นิสงฆ์ได้ถึงเย็นเลยละคะ่ะต้องเอาตํารามาเปิดแล้วมันเยอะมากจริงะเลอทีนี้เราก็จะพูดคร่าวๆว่าในเมื่ออ น, นิสงฆ์มากขนาดนี้แล้วเนี่ยในการทําจิตให้ให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเอาเอาพูดให้ให้ถูกต้องนิดหนึ่งนะทําจิตให้เป็นหนึ่ง ทำจิตให้เป็น1ตรงนี้เนี่ยด้วยอิริบทใดๆก็สามารถทําได้นะคือไม่ใช่จําเป็นที่ต้องนั่งอยู่ในเรือนว่างแล้วก็หลับตาอะไรงนี้อันนี้ก็ทําได้นะแต่ถ้าเราไม่มีอโอกาสที่จะทําได้ในลักษณะ น, นั้นนะการทําจิตให้ให้เป็น1นึ่งนะทำได้ทําได้น ะ, อ, ะอย่างคนที่เล่นเกมอย่างเงี้ยนะเด็กที่เล่นเกมเขาก็ ก, ก็ต้องทําจิตให้เป็น1เหมือนกันไม่งัง้นเขาจะไม่สามารถที่จะโฟกัสอยู่ในเกมกดคอมพิวเตอร์ของเขาได้ นะ ซ, ซึ่งตรงนี้เราต้องอ า, อาศัยเหตุปจัจนจะัยถ้าคุณยังต้องอาศัยเกมคอมพิวเตอร์ในการที่จะทำจิตที่เป็นหนึ่งอันนี้แสดงว่าคุณยังเป็นทาตของเกมกดคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเลยเราแค่อาศัยกายของเรานะใจของเราลมหายใจของเรา อ, อันนี่เราควบคุมได้ดีที่สุดนะคือหมายว่าเวลาไหนเราดีดนิ้วเพาะเราได้เลยสมาธิเพราะว่าลมหายใจก็อยู่กับเราใช่ไหมแล้วไอ้ไตรงนี้เนี่ยนี่คือ สิ่งที่เราเห็นที่เป็นพุธพทธวัจนานะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้สิ่งที่ไม่ได้ตรัสเอาไว้อีกมีหลายอย่างเลยเช่นเรียนหนังสือนะเก่งขึ้นได้แน่นอน เ, อเวลาทํางานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้แน่นอนนะเพราะว่าเราจะสามารถไอ้ตัดไอ้เครื่องรบกวนน้อยที่อยู่ในระบบเนี่ยออกไปได้ทั้งหมดเลยนะเราก็เห็นแต่เนื้อเน้เนๆ น, น, น, น, นะทําเฉพาะโฟกัสสิ่งที่อยู่เฉพาะตรงหน้าและไม่การทํางานของเราเนี่ยไปได้เฉลุยนะสเรื่องความสำคัญกับครอบครัว ในเวลาที่จิของเราเป็นหนึ่งเนี่ยจิตของเราสงบเป็นหนึ่งเนี่ยเวลาใครมาพูดอะไรยุยงให้แตะกันเราไม่ไหลไปตามมีเวลาใครมายุยนให้เราโกรธเราไม่ไหลไปตามมีเวลาใครมายุยนให้เราลุ่มหลงไปตามเราไม่ไหลไปตามปัญหาครอบครัวโลดไปร้อยแปดพันอย่างนะ พอปัญหาครอบครัวลลงไปปุ๊บความสุขก็เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นคดีความในศาลก็ลดลงด่ากันว่ากันก็น้อยลงประเทศชาติก็มีความสุขมากขึ้นแบ่งพักแบ่งพวกไม่ต้องมีทุกคนมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก, กันผลมันขยายไปชนิดที่เรียกว่าโอ้โหเกินประมาณเกินเกินความคาดหมายทําให้หลายๆคนเวลาที่มาฟังทําแล้วเนี่ยได้ความพอใจมากเกินประมาณมากเกินกว่าที่คาดเอาไวา้ นะด้วยความที่ร่าเริงในธรรมที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเห็นแจ้งแตงตลอดตามตามกระบวนการทีวิชชาแนะนำเนาะค่ะนี่เห็นไหมคะดังนั้นคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงได้ทิ้งน้ำหมักให้มากเหลือเกินว่าอย่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ามากมแล้วก็ได้ผลมากท่านอาจารย์คัทีนี้เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงอนิสงค์ของสมาธิแบบชนิดพอสังเกต ที่บอกว่าถ้าจะพูดกันจริงๆทั้งวันก็พูดไม่หมดนะคะจะมีบางข้อค่ะที่ต้องการรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะว่าอาจจะใช้ภาษาพิเศษที่เหมือนภาษาที่พูดกันอยู่ในทุกๆวันนะคะเช่นแทงตลอดซึ่งกิเลสแปลว่าอะไรกันอ๋อแทงตลอดนี่หมายถึงว่าเราเห็นว่าไปตลอดแทงตลอดเนี่ยคือคื อ, คอแทงทะลุลงไปจนกระทั่งเห็นไปตลอดสายเช่นเราเคยเห็นในที่เขายิงเลเซอร์ ที่ powerpoint เวลาเขาใช้ไปได้ตามเวลา present งานนะก็ <c oughs> มีเลเซอร์ยิงๆเนี่ย น, นะไอ้แสงเลเซอร์นี้มันยิงไปได้ไกลามากไปได้ไกลเป็นเป็นหลายๆร้อยเมตรทีเดียวแล้วนะไฟฉายซึ่งไฟฉายปกติมันยิงไปไม่ได้ น, นี้ก็ไปได้ไกลามากนะลักษณะของการแทงตลอดหรือว่ า, าใครเคยเผูกเงื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งในะที่พอแกะจุดหนึ่งแล้วปุ๊บเงื่อนนี่มันหลุดออกหมดเลยลักษณะนั้นนะ นะเพราะนั้นคือจุดเดียวพวกลากัดหลุดออกหมดเลยที่ติดติดกันอยู่ค้างค้งกันอยู่เนี่ยหลุดออกหมดเลยนี่แหละลคือละสังกัดเราตีเหล็มหมดนะคะอแทงตลอดใช่ะแล้วก็อีกอานหนึ่ง ค, ะค่ะท่านคะมีอํานาจเหนือจิตหรือว่ า, ามีอํานาจเหนือจิตหมายความว่าตอนเนี้ย เ, เราอยู่ใต้อํานาจของจิตนะจิต<ม>เราอยู่ อ, อจิตเนี่ยควบคุมตัวเราอยู่นะเช่นว่าสมมติเราหลับตาทําสมาธิคุณตั้งใจเลยนะจะทำจิตให้สงบ จะไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอดีตเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวเ๋ยมันไปคิดเรื่องคนอื่นนี่น เ, นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยฉันตั้งใจที่จะไม่คิดอะไรนะแล้วทําไมมันไปคิดใครมาเป็นคนที่ทําให้มันไปคิดนี่แหละคือเราไม่มีอํานาจเหนือจิตเราถูกหลอกว่าเออทําไมเราต้องไปคิดเนะาะทั้งๆที่บางทีเราต้องการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานๆเนิร์คชื่อไม่ออกคุณโยมติ๋ว นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกตอนที่จะต้องการจะทราบชื่อมันนึกไม่ออกแต่พอคน น, ค น, นี้เข้าไปแล้วนะขายหน้าไปแล้วรอบหนึ่งต้องให้เขาพูดชื่อตัวเองนะจนกระทั่งว่าผ่านป้ายผ่านป้านะหรือว่าไม่ได้พูดถึงตรงนี้ทำอย่างอื่นอยู่ปุ๊บชื่อปรากฏออกม า, อาไอ้ตอนที่ต้องการเนี่ยดันไม่ดันไม่คิดขึ้นมาให้ไดนะ้แต่ตอนที่ไม่ต้องการดันคิดออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เราไม่มีอนานาจเหนือจิต พระพุทธเจาบอกว่าการขยายความในเรื่องของการมีอานาจเหนือจิตเนี่ยหมายความว่าถ้าต้องการตริตรึกเรื่องไรนั้นก็สามารถตริตรึกเรื่องนั้นได้ถ้าไม่ต้องการตริตรึกเรื่องไหนก็ไม่ต้องติตตรึกเรื่องนั้นได้ค่ ะ, ค, ะคื อ, คอมีความพิเศษมากไปกว่าปกติทั่วๆไปที่เป็นกันอยู่ใช่นะคะคทางด้านเกี่ยวกับจิตใช่อีกอันหนึ่งคะคะแทงตลอดอีกแล้ว <laughs> มื่อกี้ีแทงตลอดซึ่งกิเลสแต่อีกข้อเนี่ยบอกแทงตลอดซึ่งธาตุอันเป็นอเนกนอืถ้าอันเป็นอเนกก็คือว่าความรู้ต่างๆทั้งหมดในโลกธาตุนี้อความรู้อันหนึ่งที่ที่บอกได้เดี๋ยวนี้เลยก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูลกลิ้นกายเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่อย่างนต่ถ้าคุณไปปฏิบัติไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าโอ้เราจะแทงตลอด ซึ่งสรรพสิ่งในสังสารวัตนี้ในยูนิเว s ร์สนี้เลยในจักรวาลนี้ว่าอ๋อมีธรรมชาติเหมือนกันเลยมันมันแตกได้มันดับได้มันเปลีป่ยนแปลงได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติเดียวกันนะความแทงตลอดตรงนี้แหละคือแทงตลอดทั่วยูนิเว s ร์สทั่วจักรวาลค่ะแจ๋วไหมแจ๋วมากเลยค่ะแต่นี้ก็ มังคนอาจะบอกโอ้ยมันเกินไปไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นเอาเอาเบสิกเบสิกนทุกคนนี้ basic, ต้องการแค่ให้ช่วยแทงตลอดเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอืมันตัดใจไม่ได้สักทีคิดที่ไรมันโกรธมันอยากจะไปแทงค น, นที่คิดถึงมากกว่ามายแย่งคนรักของฉันสมมุตินะค ะ, ะนี่แหละนี่แหละนั่งสมาธินี่จะช่วยอะไรพวกนี้ได้บ้างกนะันไหมคะเออคือจะทําให้เราเห็นถูกเห็นผิดได้นะคือหมายความว่าเวลาที่เราถูกความโลภความโกรธไอ้พวกกิเลสเนี่ยครอบงําเนี่ยนะมันจะหมึนมันจะ มันจะทําให้จิตเรามืดมืดบ้างร้อนบ้างหิวบ้างนะความมืดความร้อนความหิวเนี่ยเป็นอาการป่วยของทางใจนะถ้าจิตเราหิวจิตเราอยากเนี่ยนะอยากมีชื่อเสียงอยากให้อย่างงู้นดีอย่างนี้ถ้าอยากให้อย่างงี้ดีดยังงี้นะความร้อนคือลักษณะของความกโกรธความมืดก็ลักษณะของความที่แบบมองไม่เห็นออกไปเดินอะไรไปตอนมืดมืดไม่มีไม่มีไฟฉายด้วยอย่างเงี้ยมันเดินไปชนนั่นชนนี้ก็เป็นอันตรายได้ เ, เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํางานให้จิตของเราหมดจากพวกนี้เราจะเห็นทางสว่าง เราจะรู้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้คนรักทําอย่างนี้เราจะตัดสินใจอย่างไงเราจะเดินทางไหนนะเพราะว่าถ้าจิตเราสว่างเราเห็นทางที่เดินไปได้เนี่ยเราไม่พลาดทางตกหลุมนะคือบางคนเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตคุณยมติวแล้วก็ไม่สามารถทําไม่สามารถเห็นทางสว่างได้ไม่สามารถรู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนได้เนี่ยโอ้ชีวิตผิดพลาดไปเลยก้าวพลาดครั้งเดียวนะไปไหนตอนไหนคนละเรื่องกันไปเลยเนะี่ยต้องระวังมากๆเลยคําว่าวิกฤต ก, การณ์ในที่นี้ของท่านที่ ท่านเชื่อว่าสมาธิช่วยได้เนี่ยนะคะจำกัดวิกฤตไม่คะหรือว่าสารพัดวิกฤตสารพัดวิกฤตเลยนะเช่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคุณเงินหายไปเกือบทั้งชีวิตที่เก็บมาเป็นโรคชนิดที่ว่ารักษาไม่หายหรือว่าคนที่รักมาทรยศไปสูญเสียคนที่รักไปในะพวกนี้ก็สามารถช่วยได้นะ <สา S 2> คือคื อ, ค อ, คอตรงนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะคุณยมติวคือถ้าสมมุติคุณเจอแล้วคุณจะคุณจะไป อ่คือบางคนเนี่ยคิดว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นตอนนี้ยังไม่ทําหรอกเอาไว้ตอนเจอก่อนแล้วค่อยไปทําสมาธิโอ้นี่คุณพลานมากมากเลยเพราะว่าพอไปถึงเวลาที่คุณเจออยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยโอ้ยจะมารู้ลมหายใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกเอาแค่ว่าจะควบคุมสติอารมณ์ให้อยู่เนี่ยมันก็ยากเต็มที่แล้วค่ะท่านคะคือดิฉันเองได้ไปเรียนสมาธิกับพระอาจารย์วิริยังอตรีมเทโรอยู่พักหนึ่ง แล้วก็ช่วงนี้พอดีหน้าที่การงานทําให้ไม่สามารถไปได้แต่ว่าท่านก็ศรัทธานในสิ่งที่พระอาจารย์พยายามทําอยู่คือ ท, ท่านได้พูดถึงว่าสมาธิเนี่ยจะช่วยทําให้โลกเกิดสันติสุขในมุมเนี้ยค่ะอืมเป็นอย่างไรครท่านคะช่วยช่วยให้เกิดสันติสุขนี่มันมันเป็นอย่างไรคะคือตรงนี้ว่าคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยน ะ, ค, ะคนที่มีจิตเป็นหนึ่งเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเขาจะสามารถอดทนได้ นะกระทบตรงนี้ถ้ากระทบทางบวกนะเขาจะไม่ลุ่มหลงเพลินเพลินไปตามนะถ้ามากระทบทางลบนะก็จะไม่กระแฟดกระเฟียดกรดเครืองแสดงความกรดขึ้นนะแล้วก็จิต ท, ที่เป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรนะหมายความว่าไอาการที่อาการที่เปรี้ยงปร่างด่ากาันว่ากันออกทีวีนะมีวาทกรรมอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ปรากฏพวกนี้เลยโอถ้าถามว่าเอาค่อยครอบคอรัวของเราเนี่ยมันจะเป็นสุขมากละไม่มีการด่า ก, กันไม่มีการว่า ก, กันกลับมาก็ยิ้มให้กันโอดีมากนะคุณยมติว๋วเนาะ ถ้าครอบครัวเราเป็นสุขปุ๊บสังคมก็เป็นสุขสังคมนี้เป็นสุขประเทศชาติเป็นสุขโลกเป็นสุขในเวลาที่เหลืออยู่นี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะคะ嗯嗯嗯ท่านคงจะต้องบอกแล้วล่ะครัเพราะมีคนต้องการจะทําสมาธิกันเยอะไปออบอกเลยเออที่ฟังรายการอยู่เนี่ยค่ะง่ายมากนะก็คือแค่ว่าใช้ลมหายใจของเราไอ้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าบอกว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นอากาศธรรมดาเนาะ ถ้ามันมีการเคลื่อนไหวมันก็เป็นลมถ้ามันมีการเคลื่อนไหวเข้าไปในโพรงจมูกของเราก็เป็นในร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นลมหายใจ ล, ลมที่มันอยู่ในท่อเล็กๆอยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกับเนื้อเยื่อข้างในพอมีการกระทบกับเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยเราจะรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้อาการที่เรารับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้เนี่ยให้เราเอาจิตของเราเนี่ยเอาไปจดจ่อไว้ที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าไปในโพรงจมูกนี้ได้เอาจิตของเราไปที่ตรงนนนีี้ตแห่งเดยวะ ถ้ายัางไม่รู้รองหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก2 3ครั้งนะรับรู้ได้ที่ตรงไหน ly, ก็เอาจิตของเราไว้ตรงนั้นแตนะ่บางคนอาจจะเอาตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นก็ได้ในเวลาที่เราไปดมกลิ่นอาหารกลิ่นของหอมกลิ่นของเม็นเนี่ยเรารู้สึกรับรู้ถึงกลิ่นเนี่ยตรงไหนเราก็าเอาจิตของเราเนี่ยเอาไว้ที่ตำแหน่งนั้นไว้ที่เดียวนะแล้วแต่ทีนี้บางทีมันไปคิดนั่นคิดนี่คิดโน้นบ้างไม่เป็นไรนะอย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดอย่าไปบังคับความคิดว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนี้นะแค่เรารู้ ว่าเออเราเราพเพลิดไปคิดแล้วเราก็ปล่อยความคิดนั้นแล้วก็ให้จิตของเรากลับมาอยู่ที่ตำแหน่งที่เรารู้ถึงสัมผัสนี้เหมือนเดิมทำไปทำไปทำไปทำ ไ, ไปอันนี้เรียกว่าอาการที่จิตปล่อยความคิดนู้นแล้วกลับมาอยู่กับเราหมายใจอาการตรงเนี้ยเรียกว่าจิตนั้นเนี่ยมีสติแล้วจิตที่ <คะ S 1> มีสติอย่างนี้ดีมากๆเลยทําให้ได้ตลอดต่อเนื่องจะเป็นอุปการะกับเธอมากค่ะแล้วระหว่างที่ทําถ้าเกิดมีความคิดปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอันนี้ทําถูกหรือทําผิด ทำสำเร็จหรือทําไม่สำเร็จกันด้วยถูกถูกคืออะไรนะถูกก็คือเอาประผิดก่อนนะผิดก็คือถ้าเราบังคับให้ความคิดไม่เกิดแล้วความคิดมันจะเกิดอันนี้คือผิดเราผิดคืออะไรผิดก็คือการที่เราขู่เข็นจิตนะว่าอย่าไปคิดบังคับมันหรือว่าพยายามที่จะดึงมันกลับมาไม่ใช่นะถูกคืออะไรถูกก็คือการที่เรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราปล่อยความคิดนะปล่อยนะไม่ใช่บังคับนะปล่อยคือทําให้อย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับจิต อย่าไปฟื้นนะเราแค่ทำให้เป็นธรรมชาติอันนี้ถึงจะถูกต้องนะคะก็คือให้มีสติอยู่กับลมหายใจและให้ปล่อยกับความคิดต่างๆที่มากระทบแล้วเรารู้ว่าเขามาแล้วใช่อย่าไปบังคับว่าฉันจะไม่คิดฉันจะไม่คิดว่าจะหักใจไม่คิดนี่มันหักไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้สมาธิไม่เกิดแล้วจะปวดหัวด้วยค่ะ้ะคิดว่า ท่านได้ฝากในสิ่งที่คงจะทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะได้ทําตลอดทั้งวันแล้วก็นึกถึงในการนึกถึงพระอาจารย์ไปตลอดจนกว่าจะถึงวันที่เราจะพบกันใหม่ก็คือวันจันทร์เวลาตีห้านะคะท่านพิบูลจะไปที่สถานีวทิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับการยุดค่ะแล้วก็กิฉันท่านมาร์กนะคะจะหยุดพักไปพร้อมๆกับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าท่านทั้งหลาย เห็นคุณประโยชน์ของสมาธินำเอาไปฝึกปฏิบัติและได้ประโยชน์จากสมาธินมำมศ ก, การขอบพระคุณท่านเพูยบบุนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพียงอนท่านฟังที่ครบคเพียธรรมะดอทคอมสแลปหกพบกับอาจารย์เพรยบบุญได้ที่นั่นถามคำถามไว้ก็ได้แล้วก็ที่นี่ถามคำถามมาก็ได้ทิ้งไว้ที่ 02-269-0006 กหและขอนังสือมาก็ได้สาหรับสาท่านแรกนะคะ สือชุดพุทธวจนะไปศึกษาพุทธวจนะกันดิฉันสันสินีนาคงนะคะวางเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติสมาธิกันได้กันทั่วหน้าแล้วก็บังเกิดผลดังที่ได้เรียนให้ท่านได้ทราบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของสันติสุขนะคะช่วยทำกันเยอะๆสังคมเลยจะได้มีความสุขนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ